อรักยะกะูตรว่าด้วยภิกษุผู้โยปาเป็นวัด98ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการทำอนาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปธรรมทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีธุระน้อย มีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีอาการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ 4. คือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบได้ทำห้าประการนี้แลทำอนาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปธรรมอรัญญกสูตรที่8จบ